และการเว้นจากมาโนทุจริตสามประการคือการเพ่งเลงอยากได้ของผู้อื่นการคิดร้ายต่อผู้อื่นและการมีความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฐิถ้าพิจารณาถึงบุญกิริยาวัตถุจะเห็นได้ว่าการทำบุญส่วนใหญ่ไม่ต้องเสียทรัพมีเพียงการทำวัตถุฐานเท่านั้นที่ต้องเสียทรัพส่วนกุศล น, นั้นไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องเสียทรัพเลย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของศีนั่นเองดังนั้นถ้าเรามีศีห้าก็เท่ากับว่าได้ทำกุศลเกินกว่าครึ่งหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ญาติโยมควรจะทราบไว้ก็คือการทำบุญจะให้ได้ผลบุญสมบูรณ์นั้นผู้ทาต้องมีจิตที่ดีงามทั้งก่อนทำระหว่างทำและหลังจากทำแล้วหาก่อนทำมีศรัทธาระหว่างทาแช่มชื่นใจ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 หรือวิมุด